คุณสมบัติของทูตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างควรทำหน้าที่ทูตได้คุณสมบัติแปดอย่างคือ 1. รู้จักฟัง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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างควรทำหน้าที่ทูตได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างคือ 1. รู้จักฟัง 2. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ 3. ไใฝ่ศึกษา 4.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 ควรทำหน้าที่ทูตได้